สุขสหคตทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปจัจใจร้อยหกสิบแปดสภาวธรรมที่สหรคต ด, ด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรูคต ด, ด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรูคต ด, ด้วยสุขเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่ไม่สหรอโคด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรอโคด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สุขและจิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นพึงขยายสุขาสหัคตะทุกกะให้พิดารเหมือนอนุโลมแห่งสัปปีติทุกกะที่เป็นปฏิจจวาระเหตุปัจจัยเมก้าวาระอาริมณะปัจจัยเมก้ะวาระละถึง ปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสาวนาปัจจัยมีหกวาระกรร ม, มปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบร้อยหกสิบเก้าสภาวธรรมที่สหโรคด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุก ป, ปั จ, จัยได้แก่ขันอสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งจะหอรคตด้วยสุขเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลสุขและจิตตาสมุทฐาน ร, รูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งสหอรคตด้วยสุขเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สหอรคตด้วยสุขและไม่สหอรคตด้วยสุขอาศัยสภาวะธรรมที่สหอรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเ ห, หตุปัจจัยได้แก่ขันสองสุขและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุตัปัจจัยได้แก่ขนันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยสุขที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุตุกะขันสามและกะตัตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่สหรครตด้วยสุขเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาญญศัยสัตตพรมโมหะที่สหรครตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรครตด้วยอุทัจจะ อายขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจฉาเกิดขึ้นไม่มีข้อแตกต่างกันเหมือนกับในเหตุปัจใจในสัปปิตกะทุกกะทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระนะเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนะอารรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงนะอุปาณิเสยปัจจัยมีสามวาระนะัปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ นปัจฉาชาตะปัจใจมีเ้าวาระนอันเสวนปัจใจมีเ้าวาระนกรรมปัจใจมีสี่วาระนวิปากะปัจใจมีเ้าวาระนอาหารปัจใจมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจใจมีหนึ่งวาระนาชานะปัจใจมีหกวาระนมะข้าปัจใจมีเ้าวาระนสัมปยุตตปัจใจมีสามวาระนวิปยุตตปัจัยมีหกวาระ โนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจญยะจบโดยในนี้การนับสองอย่างนอกมีและสหชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระในปัจจยวาระพึงขยายประวัติการและปฏิสนธิการให้พิดารแม้ในปัจจญยาแห่งปัจญะวาระในจัปปีติกะทุกะก็พึงขยายหาไทยวัตถุ ในประวัติการให้พิดารและในสัปปีเถกะทุกะมีเฉพาะโมหะอย่างเดียวเท่านั้นพึงทำการนับสองอย่างนอกนี้นิสยาวาระสังสถาวาระและสัมปยุตตะวาระก็ฉันนั้นพึงทำให้เหมือนกับสัปปีเถกะทุกะเกสอสุขะสหคตะทุกะ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระ เหตุปัจจัยร้อเจสภาวธรรมที่สหรคต ด, ด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด, ด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยมีสีวาระในอรารมณ์ปัจจัยและอธิปติปัจจัยเหมือนกับสัชาปีถึกะทุกกะคลมว่าสุขเป็นข้อแตกต่างกันอนันตระปัจจัยเป็นต้นร้อเจสอสภาวธรรมที่สหรคต ด, ด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต ด, ด้วยสุข โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อุปฏติจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุข ผวังคจิตที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาผวังคจิตที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ผวังคจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุขกุศลและอกุศลที่สหรคตด้วยสุข เป็น ป, ปจัจจัยแก่วุฒฐานะที่ไม hmm ่สหรอโคด้วยสุขกิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สะหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนคอนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สะหรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สะหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่สหรอโคด้วยสุข โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดคนกนพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมีสามวาระเหมือนกับสัปปีติเเฟทุกะร้อยเจ็สิบสองสภาวะธรรมที่โสหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดคนกน เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยพึงเพิ่มบดที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สุขที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่สหรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่อุปฏติจิต yes, ที่ไม่สหรคตด้วยสุขภาวังขจิตที่สหรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิต กายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาพวังคจิตที่สหรคตด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่พวังคจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุขกุศลและอกุศลที่สหรกรคด้วยสุขและสุขเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะที่ไม่สหรคตด้วยสุข กิริยาเป็นปัจจัยแก่วุานะผลเป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนันตระปัจจัยเพิ่เพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขและสุขซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมณันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยอุปาณิสยาปัจจัยร้อเจสสภาวธรรมที่สัหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออาราโมปะนิสยาอันันตารูปะนิสยา แลปะปกะตูปานิสยาปะกะตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สหรคตดด้วยสุขแล้วให้ทานสมาทานศีลด้วยจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุขทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมาณะเธอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สหรคตดด้วยสุขปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะและสุข แล้วให้ทานด้วยจิต ท, ที่ไม่สหรคตรด้วยสุขทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสมศรัทธาที่ไม่สหรคตรด้วยสุขเสนาสนะและสุขเป็นปัจจัยแห่งศรัทธาที่ไม่สหรคตรด้วยสุขปัญญาราคะโทสะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคภราสมาบัติและสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สหรคตรด้วยสุข เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่โสรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาณิสยาอันันตารูปปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยปาปกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลนัยศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยสุขแล้วให้ทานด้วยจิตที่สรคตด้วยสุขธทำสมาบัดให้เกิดขึ้นมีมานะเธอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สรคตด้วยสุขปัญญาราคะ ความปรารถนาสุขทางกายเสยนาสนะและสุขแล้วให้ทานด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขทำสมาบัติให้เกิดขึ้นลักทรัพย์ด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจองัดแงปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลวล่วงเกินภัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่สหรคตด้วยสุขละถึง เสนาสนะและสุขเป็นปัจจัยแห่งศรัทธาที่สหรคตด้วยสุขปัญญาราคะมานะทิฐิความปรารถนาสุขทางกายมรรคและพะละสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมโนปาณิสยอนันตารูปาณิสย และประกาตูปานิสยาประกาตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขเหมือนกับข้อความตอนที่สองมีมานะเถอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สหรคตด้วยสุขเสนาชนะและสุขแล้วให้ทานทําสมาบัติให้เกิดขึ้นรักทรัพย์ด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขศรัทธาที่ไม่สหรคตด้วยสุข เสนะและสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาสุขทางกายมรรคพละสมาบัตและสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นร้อยเจ็สิบสสภาวะธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุข เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุขมาทยวัตถุด้วยจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุขโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรากรความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคาที่ไม่สหรคตด้วยสุข โมนัสจึงเกิดขึ้นสุขจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษุโู่ปุถพายะตนะเป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณวัตถุุเรชาตะได้แก่จากกายะตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุ่วิญญาณกายายะตนะเป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณหาไทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่สัหระคตด้วยสุขและสุขโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัหระคตด้วยสุข เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุขมาทยวัตถุด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้น ราคาที่สหรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวัตถุปเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยสุขโดยปเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่โสรหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคต ด, ด้วยสุขโดยปเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณบุเรชาตะและวัตถุปเรชาตะอารามณบุเรชาตะได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิอเพลินเพราะปรารกความยินดีเพลิเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่สหรคตด้วยสุจึงเกิดขึ้นทิฏฐิและถึงวัตถุปเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยสุและสุโดยปเรชาตะปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวณปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยเป็นต้นร้อยเจ็สิห้าสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนาน า, นาคนกกะกรรมะปัจจัยมีหกวาระ คือพึงเพิ่มทั้งสหชาติและนานาคณิกะเป็นสีวาระเพิ่มนานาคณิกะเป็นสองวาระเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาหาระปัจจัยมีสีวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสีวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระ เป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจใจมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัติปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยนาถิปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระ 1. ปัจจญานุโลมสสังขยาวาระสุทนายร้อเจ็หตุปัจจัยมี่วาระอรมะณะปัจใจมีเก้าวาระ อธิปติปัจใจมีเก้าวาระอนันตรัปัจใจมีเก้าวาระสมนันตรปัจใจมีเก้าวาระสงหชาตปัจใจมีเก้าวาระอัญญามัญญาปัจใจมีเก้าวาระนิสยปัจใจมีเก้าวาระอุปนิสยปัจใจมีเก้าวาระอุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจใจมีเก้าวาระประมะปัจจัยมีหกวาระ วิปากปัจจัยมีห้าวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียะปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีห้าวาระมัคคะปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนัธิปัจจัยมีห้าวาระวิคตปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ โดยในนี้พึงทำปั จ, จนญยวิพังและการนับให้เป็นเหมือนกับสัปปิตกะทุ ก, ะ, กะแม้หากยังมีความสงสัยพึงตรวจอนุโลมแล้วนับเถิดสุขะสหคตาทุกะจบ เกอุเบกขาสาคตาทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยร้อยเจ็สเจดสภาวธรรมที่สหรคดูอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สหะรคดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหะรคดูเบกขาเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองในปฏ oh. mm. ิสนธิขณะสภาวธรรมที <S <S ่ไม่สหรโคโดอุเบขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรโคโดอุเบคาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อุเบคาและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่สหรคโดอุเบขาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สหรโคโดอุเบขาและไม่สหรคโดอุเบขา อาศัยสภาวธรรมที่สหรโคดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสองอุเบกขาและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สหรรคดูเบกขาเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนที่ขณะสภาวธรรมที่ไม่สหรรคดูเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรรคดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่สหรูปดูอุเบกขาเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่สหรูปดูอุเบกขาเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้น ขันอาสายหาไทยวัตถุเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาอาสายหาไทยวัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยมหาโูธ ร, รูปหนึ่งเหมือนกับสับปีตกะทุกะในอนุโลมมีกลาววาระหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระร้อเจ็ดสบแปเหตุปัจจัยมีกลาววาระอารมาณปัจจัยมีกลาวาระ อธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระอาเทวนปัจจัยมีหกวาระรามาปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระอวิคตตปัจใจมีเก้าวาระสองปัจยะปัจญิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตตปัจใจร้อยเจ็สิบสภาวธรรมที่สะหรรคุดโดยอุเบคา อาศัยสภาวธรรมที่สหรฆดูเบิดขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรฆดูเบิดขาเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะโมหะที่สหรฆดูวิจิกิจฉาและที่สหรฆดูอุทัจจะอาศัยขันที่สหรฆดูวิจิกิจฉาและที่สหรฆดูอุทัจจะเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่สหรโฆดูเบิขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรฆดูเบิขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่อุเบกขาแล intent, hm na, więc, ificar, Fi, ะจิตตะสมุทนานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรฆดูเบิขาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะสภาวธรรมที่สหรฆดูเบิดขาและไม่สหรฆดูเบิขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรฆดูเบิดขาเกิดขึ้น เพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอุเบกขาและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรฆดูเบกขาเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะาร้อแปดสิ 180. สภาวธรรมที่ไม่สหรฆดูเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรฆดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่สหรูปดูอุเบกขาเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยอุเบกขาที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกระหัสไทยวัตถุอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาอาศัยหัสไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตตรูปหนึ่ง พึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรมสภาวธรรมที่สหรฆดูเบิขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรฆดูเบิขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันอาศัยอุเบิขาที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกกะสัมปยุตตขันอาศัยอุเบิขาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุกกะมาทยวัตถุอาศัยอุเบิดขาเกิดขึ้น ขันธ์ที่สหรคดูเบกขาอาศัยอหาไทยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่สหรคดูวิจิกิจฉาและที่สหรคดูอุทจจะอาศัยอุเบกขา cha, ที่สหรคดูวิจิกิจฉาและที่สหรคดูอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคดูเบกขาและไม่สหรคดูเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุปัจจัยได้แก่ สัมปยุตตะขันและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยอุเบกขาที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นสัมปยุตตขันอาศัยอุเบกขาที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุกะสัมปยุตตะขันและกัตตารูปอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะสัมปยุตตขัน์อาศัยอุเบกขาเกิดขึ้น กระตัดตารูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะขันธ์ที่สหรรคดูเบขาอาสัยหัตถวัตถุเกิดขึ้นกระตัดตารูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะอุเบคาและจำปยุตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นร้อแปสเอดสภาวธรรมที่สหรรคดูเบคาอาศัยสภาวธรรมที่สหรรคอูเบคา และมาโสโรคดูเบกดขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งโสโรคดูเบิดขาและอาศัยอุเบิดขาเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุุกะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สโรคดูเบกดขาและอาศัยอุเบกดขาเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุุกะ ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรโคโดุเบขาและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองมูหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทัจจะอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทัจจะและอาศัยอุเบคาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่สหรโคดโอุเบคาอาศัยสภาวะธรรมที่สหรโคดโอุเบคา และไม่สหรฆดูเบขาเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรฆดูเบขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรฆดูเบขาและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุตุกะกระตาตารูปอาศัยขันที่สะหรฆดูเบกขา และอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุกะกระตาตารูปอาศัยขันที่จะหอรคดูอุเบกขาและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะอุเบกขาอาศัยขันที่จะหรคดูอุเบกขาและอาศัยหัตถาวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สหรโคดูอุเบกขาและไม่สหรคดูอุเบกขาอาศัยสภาวะธรรมที่จะหรคดูอุเบกขา แล้วไม่สหรูปดูเบขาเกิดขึ้นเพราะได้เหตุตัวปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรูปดูเบขาและอาศัยอุเบขาเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรูปดูเบขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง จิตตะสมุานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งโสหรรคตูเบขาและอาศัยอุเบขาและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะขันสองและกระตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่โสหรรคตูเบขาและอาศัยอุเบขาเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรรคตูเบขาและอาศัยอุเบขาเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง กตัตตารูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรรคดูเบขาและอาศัยอุเบขาและมหาปูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะขันสองและอุเบขาอาศัยขันหนึ่งที่สหรรคดูอุเบขาและอาศัยหาไทยวัตถุกเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองย่อสองปัจจ ย, ย, ยะปัจญญาสองสังขยาวาระสุทไนัย ร้อยแปดสิบสองณเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอรมะณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาเสียปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระณอายเวชนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจใจมีสี่วาระ ณวิปากะปัจจใจมีห้าวาระณอาหารปัจจใจมีหนึ่งวาระณอินทริยะปัจจใจมีหนึ่งวาระณชานะปัจจใจมีห้าวาระณมฆะปัจจใจมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจใจมีสามวาระณวิปยุตตปัจจใจมีหวาระโนนติปัจจใจมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสหชะตะวาระ พึงทำอย่างนี้92อุเบกขาสหคตะทุกกะ3ปัจจะยะวาระ1ปัจจะยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจใย183สภาวธรรมที่โสหรคดูอุเบกขาทำสภาวธรรมที่สหรคดูอุเบกขบาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ่งที่สหรขดูเบกขาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะเหมือนกับชวิตตะ ก, กะทุกะในปั จ, จยวาระยังมีข้อแตกต่างกันในคําว่าอุเบขาพึงเพิ่มเป็นกลาวาระมีทั้งปฏิสนธิการประวัติการและหาไทยวัตถุเหตุ ป, ปัจจัยมีกลาวาระอารมณปัจจัยมีกลาวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีกลาวาระอาเสวนปัจจัยมีกลาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระภวิคตะปัจจัยในก้าววาระอนุโลมจบร้อยปสิบสสภาวธรรมที่สหรโคดูเบคะทำสภาวธรรมที่สหรรคดูเบคาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรรคดูเบขาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะ ที่เป็นเหตุตุกะโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะทำขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโดยในนี้จึงมีกลาวาระทั้งประวัติการและปฏิสนธิการพึงทำเหมือนกับวาระแห่งชวิตตะกะทุกะโมหะมีเพียงสามวาระเท่านั้นในประวัติการพึงเพิ่มหาไทยวัตถุ นัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนั่นอรมณปัจจัยมีสามวาระนั่อธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนัอนันตระปัจจัยมีสามวาระนัสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนัอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนัอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนั่นปชาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนันอาศัณนะปัจจัยมีเก้าวาระ นัรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระณัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมฆะปัจจัยมีเก้าวาระณสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระณักวิปุญตปัจจัยมีหกวาระโนนัิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระปัจจนิยะจก การนับสองอย่างนอกนี้และนิจยะวาระพึงทําอย่างนี้92อุเบกขาสหคตาทุกะ5สังสัทธวาระ1ปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย185สภาวธรรมที่สหรฆโตอุเบกขาเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่สหรคโตอุเบกขาเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดระคนกั บ, รรกบกขันหนึ่ง ที่สเราคดูเบขาละถึงเกิดรครกับขันสองในปฏิสนธิขณะทุกกะนี้พึงทำเหมือนกับสวิตตะกะทุกกะที่เป็นสัมปยุตตะวาระเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีหกวาระทุก ป, ปัจจัยมีปัจจยและหกวาระอวิคตะปัจจัยมีหกวาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่สเราคดูเบขา เกิดรักคนกับสภาวะธรรมที่สหรรคดูเบคาเพราะในะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรรคดูเบขาและถึงเกิดรักคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุขะโมหะที่สหรรคดูวิจิกิจฉาและที่สหรรคด้วยอุทจจะเกิดรักคนกับขันที่สหรรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรรคดูอุทจจะโดยในนี้ พึงทำวาระทั้งห้าเหมือนすすในสวิตตกะทุกะณเหตุปัจจัยมีหกวาระณอธิปติปัจจัยมีหกวาระณปุรชาตะปัจจัยมีหกวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีหกวาระณอเซวณะปัจจัยมีหกวาระณกรมมปัจจัยมีสี่วาระณวิปากะปัจจัยมีหกวาระนชาณปัจจัยมีหกวาระนมัคคะปัจจัยมีหกวาระ นววิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระปัจจนิยะจกการนับสองอย่างนอกนี้และสัมบยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้ 92. อกสิบสองอุเปขาสหาคตาทุกกะเจ็ดปัญหาวาระ นึงปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยเป็นต้นร้อสหสภาวธรรมที่สหรรคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรรคดูเบกขาโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่โสหรรคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะทั้งสี่วาระเหมือนกับสวิตตกะทูกะ สภาวธรรมที่สหรรคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรโคดูเบขาโดยอารมณปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยอารมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยพึงขยายให้พิสดารเหมือนกับสัปปีติกะทุกะต่างกันเฉพาะคำว่าอุเบขาอานันตระปัจจัยเป็นต้นร้อยแปสภาวธรรมที่โสหรโคดูเบขา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่โหรคดูเบคาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคดูเบคาซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่โสรคดูเบคาซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่โหรคดูเบคาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่โสรคดูเบคาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่โสรคดูเบคาซึ่งเกิดก่นก่อน เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยจุติจิตที่โสเราโคดูอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่ไม่สเราโคดูอุเบกขาอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่สเราโคดูอุเบกขามโนธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งไม่โสเราโคดูอุเบกขาภวังคจิตที่โสเราโคดูอุเบกขา เป็นปัจจัยแก่ผวังกจิตที่ไม่จหอรักขดูเบิดขากุศลและอกุศลที่จหอรักขดูเบิดขาเป็นปัจจัยแก่วุานะที่ไม่จหอรกขดูเบิดขากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุานะผลเป็นปัจจัยแก่วุานะในวาสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรดเป็นปัจจัยแก่ภะละสมาบัติที่ไม่จหอรักขดูเบิดขาโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่สหะรคดูเบิขาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สหรคดูเบิขาและไม่สหรคดูเบิขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคดูเบิขาซึ่งเกิดขึ่งก่อนเป็นปัจจัยแห่ขันธ์ที่สหรคดูเบขาและอุเบกขาที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยร้อยแปดสิบปดสภาวธรรมที่ไม่สหรคดูเบขา เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ซอราคดูเบลขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อุเบลขาที่เกิดเพิ่ก่อนเป็นปัจจัยแก่อุเบลขาที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยขันที่ไม่ซอราคดูเบลขาซึ่งเกิดเพินก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่ซอราคโดูเบลขาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติ โดยอน erm anya, ันตรปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอุเบกขาที่เกิดก่อนกรนเป็นปัจจัยแก่ขันที่โสรคดูอุเบกขาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่ไม่โสรคดูอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่โสรคดูอุเบกขาภาวงขจิตที่ไม่โสรคดูอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตกายวิญญาณธาตุเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบาก มนโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งไม่สสรคโดูเบขาเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาผะวังขจิตที่ไม่โสรคโดูเบขาเป็นปัจจัยแก่ผวังคจิตที่สสรคโดูเบขาปุสลและอกุศลที่ไม่สสรคโดูเบขาเป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่สสรคโดูเบขากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฒานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สหรฆดูเบคาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรฆดูเบขาและไม่สหรฆดูเบขาโดยอนันตรัปจัยได้แก่อุเบคาที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรฆดูเบคาและอุเบกขาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรัปจัยร้อยแสภาวธรรมที่สหรฆดูเบคาและไม่สหรฆดูเบคา เป thinking, ็น <convert> ป <to>. ัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตู่เบิขาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันโสหรรคตู่เบิขาและอูเบิขาซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตู่เบิขาซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่สหรคตู่เบิดขาและอูเบิขาซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่อูเบิขาที่เกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัย จติจิตที่สหรคโดูเบคาและอุเบขาเป็นปัจจัยเกิดอุปาติจิตที่ไม่สหรคโดูเบขาอวัชนะจิตเลวเบคาเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่สหรคโดูเบขามโนธาที่เป็นวิบากเลวเบขาเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาที่เป็นวิบากซึ่งไม่สหรคโดูเบขาภวังคจิตที่ไม่สหรคโดูเบคาและอุเบขาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่ไม่สหรคโดูเบขา กุศล hey. well, และอกุศลที่สหรคกดูอุเบกขาและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่วุฐานะที่ไม่สหรคกดูอุเบกขากิริยาและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่วุฐานะผลและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่วุฐานะในวสัญญาณาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ภะสมาบัติที่ไม่สหรคกดูอุเบกขาโดยอนันตระปัจจัยเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล ขันธ์ที่สหรคโธตูเบขาและอุเบขาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตอตูเบขาและอุเบขาซึ่งเกิดหลงังๆโดยอนันตรัปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตรัปัจจัยมีกล่าววาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีกล่าววาระเป็นปัจจัยโดยอ ER ัญญมัญญปัจจัยมีกล่าววาระเปน็นปัจจัยโดยนิเสยาปัจจัยมีกล่าววาระอุปาณิเสยาปัจจัย 190. ร้อสภาวธรรมที่สหรรคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรรคดูเบขาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรรคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สหรรคดูเบขาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปานิสยาอนาตารูปานิสยและประกาศูปานิสยปกฏศูปนิสยได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สารักโถดูเบคาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ด, ด้วยจิตที่ไม่สารักโถดูเบคาทำฌานที่ไม่สารักโถดูเบคาวิปัสสนามัทธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะเธอทธิฐิอาศัยศีลที่ไม่สารักโถดูเบคาปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทธิฐิความปรารถนาสุขทางกาย ทุกทางกายอุตุโภชนะเนสนาชนะและอุเบกขาแล้วให้ทานด้วยจิตที่ไม่สเรคดูอุเบกขาทำสมาบัติให้เกิดขึ้นข่าจัดทำลายสงศ์ศรัทธาที่ไม่สเรคดูอุเบกขาและถึงเสนาชนะและอุเบกขาเป็นปัจจัยแกศรัทธาที่ไม่สเรคดูอุเบกขาปัญญาราคะความปรารถนาะสุขทางกายทุกทางกายมรรคภารสมาบัต และอุเบกขาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรรคดูเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรรคดูเบกขาโดยอุปาณิสยปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สหรรคดูเบกขาแล้วให้ทานด้วยจิตที่สหรรคดูเบกขาทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สหรรคดูเบกขา ใสนาชนะและอุเบกขาแล้วให้ทานด้วยจิตที่สหรัโคโดเบกขาทำจะมาบัตให้เกิดขึ้นบุคคลมีจิตที่สห ร, รักโโดเบกขารักทรัพย์พูดเท็จพูดสวเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจอ้องัดงะปลุนไม่ให้เหลือปลุนเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลวล่วงเกินพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่จะหระัโคโดเบกขา และถึงเนสนาชนะเป็นปัจจัยแก่ศัทธาที่โหระโคดูเบขา ค, ความปรารถนามักและพราสมาบัตโดยอุปนิเสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สโสระโคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหระโคดูเบขาและไม่สโสระโคดูเบขาโดยอุปนิเสยาปัจจัยอุปนิเสยปัจจัยมีสามอย่างเหมือนกับข้อความตอนที่สอง สภาวธรรมที่สหรคดูเบิขาและไม่สหรคดูเบิขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคดูเบิขาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยร้อเก้าสอสภาวธรรมที่ม่สหรคดูเบิขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สหรคดูเบิขาโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับสัพพิทัตุทุกขะ ปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นต้นร้อเกสิบสองสภาวธรรมที่สหรฆดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สหรฆดูเบขาโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวิปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยกรรมปัจจัยมีหกวาระพึงเพิ่มสหาชาตะและนานาคณิกะเป็นสี่วาระและเพิ่มนานาคณิกะเป็นสองวาระ เป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาหาระปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทริยะปัจจัยมี้าวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยมรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมพยุตตปัจจัยมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยมี้าวาระ เป็นปัจจัยโดยนาทีปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระพึงจำแนกปัจจัยเหล่านี้โดยในแห่งสปิทกทุกะหนึ่ปัจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทไนัย193เหตุปัจจัยมีสีวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระ อธิปติปัจใจมีเก้าวาระอนันตรปัจใจมีเก้าวาระสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระสหชาตปัจใจมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจใจมีเก้าวาระนิสียปัจใจมีเก้าวาระอุปนิสียปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัชชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวะนปัจใจมีเก้าวาระกรรมะปัจจัยมีหกวาระ วิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีสีวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีเ้าวาระมัคคะปัจจัยมีสวาระสัำยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนัตติปัจจัยมีเ้าวาระวิคตปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ ปัจจ尼ยวิพังและการนับสามอย่างนอกนี้พึงทำให้เหมือนกับสับปีถือกระทุกะอย่างนี้ผู้เปรคาจะหาขตตาทุกกะจบ